เวลาเราสวดสัมมาสัมพุทธะอย่างไงนึกถึงตรงนี้ไหมพองกหัวนี่ไม่แปลไม่เข้าใจไม่รู้แปลว่าอะไรพองหัวว่าต่อไปจะคิดถึงไม่ได้แปลว่าเคยคิดถึงไงในปฐมกิระสูตรว่าด้วยมิจฉาทิฐิทั้งหลายข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทรับอยู่ณพระวิหารเฉตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแลสมณพราหมณ์ปริภาชกมากด้วยกันผู้มีลทัทธิต่างๆกันมีทิฏฐิต่างกั น, ม, กนมีความพอใจต่างกันมีความชอบใจต่างกันอาศัยทิฏฐินิสัยที่แตกต่างกันเรียกว่าสารพัดมิจฉาทิฏฐิมั้งนั้นเถอะอาศัยอยู่ในพระนครสาวัตถีเออเรียกว่าอะไรนะเทศกาลศูนย์รวมมิจฉาทิฏฐิมาประชุมกัน คิดดูนะสารพัดมิจฉาทิฐิก็มารวมกันสมณพราหม์พวกหนึ่งเขามีทิฐิในตรงนี้ยกตัวอย่างมาให้ดูสิบกลุ่มสิบกลุ่มมิจฉาทิฐิก็คือถ้าขยายไปแล้วก็คือทิฏฐิหบางพวกบอกโลกเที่ยงสิ่งนี้แหละจริงสิ่งอื่นเปล่าพวกโลกเที่ยงพวกนี้ก็มาจากกลุ่มอะไรกลุ่มสัสตตทิฐิเนี่ยนะพวกนี้เป็นสัสตตทิฐิ ลมที่สองบอกโลกไม่เที่ยงสิ่งนี้จริงอย่างอื่นเปล่าพวกนี้อุดเฉททิธิอีกพวกหนึ่ง ificar, ก็บ around, อกโลกมีที่สุดบางพวกโลกไม่มีที่สุดพวกนี้ก็เป็นบางพวกศัตตะบางพวกก็อุดเฉทนนก็แล้วแต่ว่าใครอีกพวกหนึ่งก็บอกว่าชีพก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นอันนี้อุดเฉททิธิทวนให้ใหม่นะข้อที่หนึ่งโลกเที่ยงอันนี้สัตตะทิฐิข้อที่สองบอกโลกไม่เที่ยงอุดเฉททิธิ ข้อสาี่โลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดเป็นทั้งสัตตทิฐิและอุเฉททิฐิหชีพอันนั้นตสิรระก็อันนั้นอันนี้เป็นอุเฉททิฐิหชีพเป็นอื่นสรีระก็เป็นอันอื่นอันนี้เป็นสัสตทิฐิข้อเสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเป็นอีกอันนี้เป็นสัตตทิฐิสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วไม่เป็นอีกอันนี้เป็นอุเฉททิฏฐิ ศาส์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วเป็นอีกก็มีไม่เป็นอีกก็มีอันนี้เรียกว่าเอกจัสตติทิถินะเนี่เบื้องหน้าแต่ตายแล้วเป็นอีกก็มีไม่เป็นอีกก็มีอนะพวกนี้ก็ขออภัยเนวสัญญาสัญญวาทะพวกนี้ว่าเป็นอีกก็มีไม่เป็นอีกก็ขอโทษเอกจัจะเนี่ยนะเอกจัจะพวกนี้ก็กลุ่มสัญญวาทะอีกนั่นแหละ พวกกลุ่มสุดท้ายก็บอกว่าสาัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วเป็นอ ก, กหาไม่ได้ไม่เป็นอ ก, กหาไม่ได้พวกนี้อมาราวิเคปะไหลไปเรื่อยสมณพราหมณ์เหล่านั้นก็เกิดการบาดม้าง ก, กันเกิดทะเลาะกันวิวาทกันทิมแทงกันและกันด้วยหอกคือปากานะใครมีหอกคือปากคมขนาดไหนก็ทิ่มกันไปพรวดพราดไปหมดว่าธรรมะเป็นเช่นนี้ธรรมะไม่เป็นเช่นนี้ของจริงมันต้องอย่างนี้สิอันั่นของปลอมนะมีเถียงกันหน้าดูเลย บอกนี้ไม่ใช่เป็นธรรมะใม่เป็นอย่างนี้ธรรมะต้องเป็นเช่นนี้มีใครผิดบ้างในนี้สิบกลุ่มเนี่ยนะทุกคนถูกหมดเลยใครที่ผิดไปจากฉันมันผิดหมดพวกนี้ว่าเป็นอย่างนี้เลยนะ ถ, ถ้ามันยืนยันในมิจฉาทิฏฐิสมมุติว่าพวกที่หนึ่งนะจัปฏิเสธ9ก้ากลุ่มทั้งหมดกลุ่มที่สองก็ปฏิเสธอีก9้ากลุ่มมานะคือสรุปว่าอื่นผิดหมดถ้าใครพูดแบบฉันคนนั้นถูกถ้าไม่พูดตามฉันผิดเนี่ยนะ ครั้งนั้นเป็นเวลาเช้าพิกสุมากด้วยกันนุ่งแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปบินธบาตยังพระนครสาวัตถีครั้นเที่ยวบินธบาตภายหลังพัดแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วก็นั่งหน้าที่ควนสวนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าคือเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรวกาศสมณะพราหมณ์ปริภาชกมากด้วยกัน ผู้มีลัทธิต่างๆกันมีทิฏฐิต่างกันมีความพอใจต่างกันมีความชอบใจต่างกันอาศัยทิฏฐินิสัยต่างกันอาศัยอยู่ในพระนครสาวัตถีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีทิฏฐิมีวาทะอย่างนี้ว่าโลกเที่ยงอย่างนี้จริงอย่างอื่นไม่ใช่พวกกลุ่มที่สองบอกโลกไม่เที่ยงที่สาบอกไม่ใช่โลกไม่มีที่สุดที่บอกไม่โลกมีที่สุดเนี่ก็เถียงกันไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะ สรุปพระพุทธองค์ก็ตรัสตอบว่าดูก่อนพิสูจทัทางหลายพระองค์ก็ตอบเลยนะอัญญะเดียรถีเป็นคนตาบอดไม่มีจักสุไม่รู้จักประโยชน์ไม่รู้จักความชิบหายที่ไม่ใช่ประโยชน์คือไม่รู้อะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์ไม่รู้จักธรรมไม่รู้จักอะไรไม่ใช่ธรรมไม่รู้จักประโยชน์ไม่รู้จักความชิบหายไม่ใช่ประโยชน์ไม่รู้จักธรรมไม่รู้จักอธรรม ก็ทุกคนไ ม, ไม่รู้เหมือนกันหมดก็อะไรเกิดขึ้นบาดหมางกันทะเลาะกันวิวาทกันทิมแทงกันและกันด้วยห อ, อกคือปากเพราะไม่ใช่ทหารใช่ทหารก็ใช้อาวุธทิมกันนะนี่ก็ใช้ปากทิมกันทิมกันจนหูร้อนเผาไปหมดเลยแหละ mm hmm. เมื่อเป็นเช่นนี้ะนะห อ, อกว่าธรรมันอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่ธรรมะนะธรรมะไม่เป็นเช่นนี้เช่นนี้จึงจะเป็นธรรมในะกรเที่ยงกันอยู่นั่นแหละ พรองก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วในพระนครสาวัตถีนี่แหละมีพระราชาพระองค์หนึ่งพระราชาพระองค์นี้เป็นคนขี้เล่นชอบพาเรื่องอะไรค้าๆแต่นะมีไอเดียใหม่ๆที่จะทําให้เพลิดเพลินเจริญใจสนุกสนุกไปวันๆหนึ่งอนะ่ะนครั้งนั้นพระราชาพระองค์นั้นก็ตรัสเรียกบุรุษคนหนึ่งมาสั่งว่าดูก่อนบุรุษผู้เจริญนี่นะเธอ คนตาบอดในพระนครสาวัตถีมีประมาณเท่าใดท่านจงให้คนตาบอดเหล่านั้นทั้งหมดมาประชุมรวมกันบุรุษนั้นก็ทูลรับพระดํารัสแล้วก็พาคนตาบอดในพระนครสาวัตถีทั้งหมดเข้าไปเฝ้าพระราชาถึงที่ประทับครั้นแล้วก็ได้กราบบังคมทูลพระราชาพระองค์นั้นว่าขอเดชะพวกคนตาบอดในพระนครสาวัตถีมาประชุมกันแล้วพระพุทธเจ้าข่าพระราชาพระองค์นั้นก็ตรัสว่า น, นี่พนาย ถ้าอย่างนั้นท่านจงแสดงช้างแก่พวกคนตาบอดเถิดสั่งให้บอกเอาช้างไปให้คนตาบอดดูฟังกันบุรุษคนนั้นก็ทูลรับพระดํารัสแล้วก็แสดงช้างแก่พวกคนตาบอดอะนะก็กระลาชานนกระซิบเล่าให้ฟังต้องทําอย่างนี้นะก็แสดงศีรษะช้างให้ แ, แ, แก่คนตาบอดทวกหนึง่งบอกช้างเป็นอย่างนี้นะกรจับหัวเอาไว้ดีจับหัวช้างเอาไว e ้ดีนี่ช้างมันเป็นอย่างนี้นะจำเอาไว้ให้ดีแล้วก็แสดงหูช้างเอกตาบอดทั่วหนึ่งบอกช้างมันเป็นอย่างนี้นะ จำมาว่าให้ดีว่าช้างนี่มันเป็นแบบนี้แหละกลุ่มที่สามบอกอ้าวดูงาให้จับให้แสดงดูงาว่าช้างมันเป็นอย่างนี้กลุ่มที่สี่ให้ดูงวงนะแสดงงวงให้ดูกลุ่มที่ห้าแสดงตัวช้างให้ดูกลุ่มที่หแสดงเท้าช้างให้ดูกลุ่มที่เจ็แสดงหลังช้างให้ดูกลุ่มที่แปดเอาดูขนหางกลุ่มที่เก้าให้ดูปลายหางคิดดูนะมีอยู่เก้ากลุ่มด้วยกันเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นพระชาเนี่ยเรื่องมีเรื่องสนุกเยอะเลยนะ ลำดับนั้นบุรุษนั้นครั้นแสดงช้างแก่คนตาบอดแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระราชาพระองค์นั้นถึงที่ประทับคั้นแล้วได้กราบทูลว่าขอเดชะคนตาบอดเหล่านั้นเห็นช้างแล้วแลเห็นแบบคนตาบอดอะนะบัดนี้ขอใต้ฝ่าละ อ, องธุลีพระบาทจงทรงสำคัญเวลาอันสมควรเถิดพระเจ้าข่าเพิกศูนย์ทงหลาย ลำดับนั้นแหลพระราชาพระองค์นั้นก็เข้าไปถึงที่คนตาบอดเหล่านั้นทั้นแล้วก็ได้ถามว่าดูก่อนคนตาบอดทั้งหลายพวกท่านได้เห็นช้างแล้วหรือคนตาบอกว่าคนตาบอดก็กราบสุนทรคดชะข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเห็นแล้วพระเจ้าค่ะมันตาบอดมันจะเห็นได้ยังไงนะมุสาตั้งแต่แรกแล้วนะบอกว่าตาบอดบอกเห็นช้างนะมีน่าคนตาบอดชอบชี้ใช่ไหมไ ม, ไม่แม่นะไม่รู้ชอบชี้เนี่ยกลุ่มเดียวกันเป๊ะเลยนี่แหละ พระราชาบอกดูก่อนคนตาบอดทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายกล่าวว่าข้าพระพุทธเจ้าเห็นช้างแล้วเนี่ยช้างนี่มันเป็นอย่างไรอยากฟังคนตาบอดวิจารณ์ช้างดูซิมันจะเป็นยังไงคนตาบอดพวกที่ลูกคลําศีรษะช้างก่อกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะช้างเหมือนหม้อพระเจ้าค่ะเพราะมันจําับหัวช้างมันคลุมๆเออเหมือนหม้อเลยเนี่ยนะพราหม้อเคยเห็นหม้อแขกมันจะแบบนูนๆนะเหมือนหม้อเลย หม้อแข็งกลมๆไหมเป็นรูปหัวช้างเขาเอิ่มกลมๆเหมือนหม้อใช่แล้วกลมที่สองก็คลําหูช้างบอกช้างเป็นเหมือนกระด้งพระเจ้าค่ะกลุ่มที่ไปคลํางาช้างก็บอกช้างเหมือนผานนะนะเหมือนผานที่มันทิ่มไว้ไถนานะเหมือนผานพระเจ้าค่ะไอคนที่คลํางวงช้างก็บอกช้างเหมือนงอนไถพระเจ้าค่ะงวงไหมไอคนที่รูปคลําตัวช้างก็บอกเหมือนช้างข้าวพระเจ้าค่ะเหมือนยุ้งข้าวเลย คนที่หก็บอกว่าพวกคลําเท้าช้างก็บอกช้างเหมือนเสาพระเจ้าค่ะไอคนที่คลําหลังช้างก็บอกช้างเหมือนครกตํำข้าวนะเอ๊ยยังงงว่าหลังช้างมันเหมือนครกตํำข้าวได้ยังไงนึกไม่ออกเลยนะไอคนตาบอดที่รูปคลําโคนหางช้างก็กราบทูลว่าช้างเหมือนศากพระเจ้าค่าพระมันใหญ่ดีนะคนที่คลําปลายหางช้างก็บอกว่าช้างเหมือนไม้กวาดพระเจ้าค่ะ เสรแล้วพระราชาก็ต่ อ, อฟังก็คำไปนะคนตาบอดเหล่านั้นก็เถียงกันด้วกันว่าช้างเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เหนะช้างไม่ใช่เป็นอย่างนี้ช้างไม่ใช่เป็นอย่างนี้ช้างต้องเป็นอย่างนี้ไอคนที่ที่จับหัวมันก็ยืนยันว่าเหมือนหม้อเหมือนหม้อเหมือนหม้ออย่างอื่นผิดหมดอย่างนี้สิจริงพระราชาพระองค์นั้นก็หัวเราะขำกลิ้งเลยนะมีความสุขมากที่ได้เห็นพวกตาบอดวิจารนแบบนี้นะก็ชื่นชมเพราเห็นนะั้นเลยว่าขำกลิ้งเลยอนะ ดูการพิสูจทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลเพื่ออัญญะเดียรทีปริภาชกเป็นคนตาบอดไม่มีจักษุไม่รู้จักประโยชน์และไม่รู้จักความชีพหายที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่รู้จักธรรมไม่รู้จักอธรรมเมื่อไม่รู้จักประโยชน์ไม่รู้จักความชีพหายไม่ใช่ประโยชน์ไม่รู้จักธรรมะไม่รู้จักอธรมม ร, ธรมก็มีความบาดหมางกันเกิดการทะเลาะกาันวิวาทกาันทิมแทงกันและกันด้วยหอกคือปากธรรมะต้องเป็นอย่างนี้ ธรรมะไม่เป็นเช่นนี้ธรรมะไม่เป็นเช่นนี้ธรรมะต้องเป็นเช่นนี้ก็เถียงกันไปเถียงกันมาก็สิบรัฐที่ใหญ่ใดูที่อะไรจะเกิดขึ้นสงครามน้ําลายในี่ท่วมแถวนั้นหมดนะพระองค์ทราบเนื้อความนั้นแล้วก็แป่งอุทานว่าได้ยินว่าสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งย่อมคล้องอยู่ในทิฏฐิหรือคล้องอยู่เพราะทิฏฐิทั้งหลายอันหาสาระไม่ได้ยึดถือแต่ความเห็นที่ไม่เป็นประโยชน์เอาแต่ความเข้าใจที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยนะมันแบกความคิดที่ไม่มีประโยชน์ชนทั้งหลายผู้เห็นผิด ผู้เห็นโดยส่วนเดียวถือผิดทึ่งทิฏฐินิสยัยยึดถือแต่มิจฉาทิฏฐิยึดถือเอาแต่ความเห็นความคิดของตัวเองอันนี้สงฆ์คืออะไรทะเลาะกันสิอันนั้นคือผลของมิจฉาทิฏฐิผลของการแข่งแย่งยึดถือความคิดความเห็นก็เกิดการทะเลาะเบาแหวกกันส่วนเนื้อหาในรายละเอียดก็เราก็อ่านพอเข้าใจแล้วนะแต่ว่าอ่านใน อุปมาณิดหนึ่งในหน้า2 2งรอย่เอขออภัยีว่าย่อนหน้าเอวะเมวะโคเป็นการเทียบเคียงโดยอุปมามีใจความว่าภิกษุทั้งหลายคนตาบอดแต่กำเนิดนั้นไม่มีจักขุประสาทมักเห็นไปโดยส่วนเดียวไม่เห็นช้างส่วนที่เหลือคือไม่รู้จักช้างทั้งตัวนะเมื่อไม่รู้สิ่งที่คนอื่นเห็นโดยสำคัญว่าเป็นช้างเพียงมากว่าอวัยวะที่ตนเห็น ก็สำคัญแต่เฉพาะสิ่งที่ตัวเองได้รูปคลัมจับต้องเท่านั้นน่ะก็ถึงการทะเลาะวิวาทกันฉันใดอัญญะเดรธีเหล่านี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสําคัญรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นสักกายะสักกาย ะ, ก, ก, ายะก็อาศัยขันห้าก่อให้เกิดสักกายทิฐิใช่ไหมเกิดสักกายทิฐิก็ตามเห็นโดยทิฐิทัศนะโดยมิจฉาทิฐิของตนว่าเป็นอัตตายกขึ้นสู่ภาวะว่าตนนั่นแหละเที่ยง สาเหตุของมิจฉาทิฏฐิทั้ทงหมดเกิดจากอะไรก็เกิดจากยึดถือขันห้าว่าเป็นอัตตาเพรอพื้นฐานว่ายึดถือว่าขันห้าเป็นอัตตาเข้าอัตตานี้ตกลงมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเอางี้ก่อนนะยึดถือขันห้าที่นั่งๆกันอยู่ว่าเราตกลงเราว่าตะเรา e e นี่เท<ร>ี่ยงหรือเราไม่เที่ยงกันแน่นะเราเที่ยงหรือเราไม่เที่ยงบอกว่าบางพวกบอกโอบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงกายไม่เที่ยงหรอกใจเที่ยง บางผู้บอกโอ้ายนี่มันเที่ยงนะมันมีกายอะไรที่มันแฝงอยู่ข้างในมันออกพกไปเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็ยึดถือก็ยึดถืออันนี้เกิดจากความเข้าใจผิดเกิดจากมิจฉาทิฐิโดยอาศัยมิจฉาทิฐินั่นแหละเพราะไม่รู้จักสักกายตามเป็นจริงไม่รู้จักอุปาทานขันห้าไม่รู้จักขันธาตุอายตนะตามสภาพที่เป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้เกิดจากปัจจัยเป็นต้น เพราะฉะนั้นก็เลยพากันยึดถือแต่ความเห็นของตนความเห็นของคนอื่นไม่ใช่เพราะไม่รู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ไม่รู้ว่าอะไรเป็นธรรมอะไรไมิใช่ทําตามความเป็นจริงก็เป็นเหมือนคนตาบอดแต่กําเนิดนั่นแหละบทว่าเอตมะถังวิธิตวาความว่าทรงทราบโดยประการทั้งปวงถึงอาการที่พวกเดรธีไม่เห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริง สภาวะธรรมคือขันธาตุอายตนะเหตุเกิดของขันธาตุอายตนะความดับและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับขันธาตุอายตนะเรียกว่าไม่รู้จกักสกายะส ก, กายะสมุทัยส ก, กายะนิโรธส ก, กายะนิโรธาคามินีปฏิปทาหรือไม่รู้จักโลกโลกสมุทัยโลกนิโรธโลกนิโรธาคามินีปฏิปทาก็ยืดถือผิดตามที่เห็นตามที่ตามที่เข้าใจอ่ะนะตามลัทธิทฤษฎีของตนเหมือนคนตาบอดแต่กําเนิดคลําช้าง เสร็จแล้วก็ทะเลาะวิวาทกันเนี่ยนะไอ้คนรู้จริงๆมันไม่ค่อยทะเลาะหรอกไอ้คนที่ทะเลาะไม่ค่อยรู้จริงมีอยู่วันหนึ่งมานั่งถกกันว่าไอ้เรื่องนี้มันทำยังไงคุยกันไปคุยกันมาบอกเออใช่พวกเราไม่ใช่ช่างมานั่งเถียงกันช่างไม่เห็นทําอะไรบอกทํานิดๆไหน่อยมันก็เป็นนะไอ้คนที่ไม่เป็นนี่มันคุยมากทุกเรื่องนะในโลกนั้นอะไรก็ตามถ้ามีการถกเถียงกันให้รู้โดยมากในนั้นมีใครรู้สักคนหรอกแต่ยิ่งเถียงกันมากยิ่งไม่มีใครรู้มากในนั้นนะ ถ้าไม่ค่อยเถียงกันก็มีอยู่สองอย่างรู้จริงกับไม่รู้เรื่องเลยมีอยู่สองกลุ่มเนี่ยนะของเรากลุ่มไหนก็ดูเอาก็แล้วกันถกกันมากก็มีอยู่สองอย่างเนี่ยว่าต่างคนต่างฟุ้งซ่านนะรับหอกมาอย่างดีมาทิ่มหูกันเนี่ยนะนเจ็บปวดนานที่สุดเท่าที่จะนานได้หรือเปล่าบทว่าอีเมสุกิระสรัชันติเอเกะสมณะบราหมนาได้ยินว่าบุคคลบางพวกในโลกนี้ชื่อว่าสมณะ ด้วยการเข้าถึงการบวชคือบรรพชาถึงพราหมณ์เพราะเหตุเพียงชาติย่อมข้องคือติดข้องในมิจฉาทิฐินี้ของเราโดยบรรเทิงในมิจฉาทิฐิในมิจฉาทิฐิอันไม่เป็นสแกนสารสาระเหล่านั้นโดยในเป็นต้นว่าโลกเที่ยงเราเนี่ยมันเที่ยงแน่นอนยังไงตายแล้วก็ต้องเป็นอีกเกิดอีกแน่นอนเที่ยงใช่ไหม คือคําพูดแบบนี้มันคําพูดของคนที่เป็นมิจฉาทิฐิเบื้องหลังนําหน้าทั้งหมดเป็นคําพูดที่ไม่ได้เกิดจากการไข ค, ครวนเนี่ยนะถ้าเกิดที่การไข้ครวนน่ะตกลงเรามีหรือเราไม่มีเอาอะไรมาเป็นเราเนี่ยนะนะมันเขาจะพิจารณาเห็นกระแสขันธาตุอจตนาที่ไหลไปสืบเนื่องกันเป็นไปตามเหตุและปัจจัยเป็นต้นแต่ถ้าบอกว่าเราไอเราชาติน้าเราจะเป็นอะไรเชื่อไหมนั่นเดินตามรอยมิจฉาทิฏฐินานแล้ว มันจะต้องศึกษาว่าอะไรเป็นของพระพุทธเจ้าอะไรเป็นของมิจฉาทิฐิตรงนี้ต้องแยกให้ดีถ้าคิดแบบพระพุทธเจ้าคิดยังไงเห็นแบบพระพุทธเจ้าเห็นเป็นยังไงความจริงในโลกนี้มีกองทุกข์คืออุปาทานขันหกองทุกข์คืออุปาทานขันห้าประกอบไปได้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยประชมปรุงแต่งขึ้นอาศัยปัจจัยเนี่ยเป็นไป ไหลไปสืบเนื่องไปสืบเนื่องไปโดยเป็นไปโดยชาติชรามรณะเป็นสาเหตุแห่งโสกปริเทวทุกขโทมนัตและอุปาญาตรูปเกิดด้วยเหตุเท่าไหร่รูปก็เป็นสิ่งที่เกิดด้วยเหตุเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นสิ่งที่เกิดด้วยเหตุถ้าเห็นทุกข์เห็นภัยเห็นโทษของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้ก็กําจัดสาเหตุซะเนี่ยนะก็คือตัดชั้นราคาซะเป็นต้นเนี่ยพงษ์ก็จะสอนแบบนั้น แต่พวกมิจฉาทิฏฐิบอกเราเราไม่พอเมื่อมีเราก็ต้องมีของเราเก็เดินตามเรากับของเราซึ่งมันไม่มีอยู่จริงอะไรจะเกิดขึ้นก็ยุ่งและค่ะนี่มันจึงพอมิจฉาทิฐิเข้าใจผิดก็เพลินเพลิ น, ล น, ล น, ลนด้วยอำนาจของความเพลิดเพลินตันหาบันเทิงในมิจฉาทิฐิบันเทิงด้วยตันหามิจฉาทิฐิในขันห้ามีรูปเป็นต้นอันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดามันเทิงว่าขันห้ามันเที่ยงสุขไม่แปรปรวนหรอกมั่นคงเหมือนเสาระเนียรที่เป็นอย่างนี้เนี่ยนะมันน่าสลดใจใช่ไหมของพวกที่มีความงมงายน่าสังเวชใจเหลือเกินทา ไ, ไมไปนั่งเถียงกันในสิ่งที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยถ้าใครชนะแล้วมันจะได้โลอะไรขึ้นมาการถกเถียงชนะของเหลามิาจฉาทิฐีสิ่งที่ได้รับคืออะไร ได้คำชมเชยจากพวกที่เลื่อมใสแล้วก็ได้ศัตรูเพิ่มจากพวกที่พ่ายแพ้ไอ้คำสรรเสริญลาบสการะที่เกิดจากชัยชนะมันสิ่งเล็กน้อยเกินไปถ้าจะต้องเทียบด้วยการชดใช้ในอบายทุกติวินิบาศและนรกเพราะมิจฉาทิ่ฐิเกิดขึ้นเนี่ยเก็บไว้ในภายในแต่เพียงผู้เดียวไหมไม่โอ้ยโง่แล้วขยันเนี่ยยุ่งมากเข้าใจผิดแล้วชักชวนคนอื่นปไปไ ป, ไ ป, ไปก็เลยพากันไปขบวนเนี่ยนะพาไปไหน เพราะฉะนั้นพวกพึ่งนี่มันจึงมีเป็นฝูงเลยนะว่นวันก่อนเนีมันนั่งนึกเออมีหน้าพึ่งมันมีเป็นฝูงฝูงเลยไม่ได้มีพึ่งตัวเดียวนะมีเป็นอะไรเขึ่งเขาเรียกอะไรฝูงเนาะปลวกเขาเรียกว่าเป็นเป็นรังใช่ไหมพึ่งก็เป็นรังรวงนะนะเป็นรวงเขาเรียกว่าเป็นรังนะแต่เวลามันบินก็เรียกว่าฝูงนั่นแหละไม่เรียกว่าบินทั้งรังนะไม่ใช่พวกช้างก็มีเป็นโครงมากก็มีเป็นพวกเพราะฉะนั้นอบายไม่ต้องห่วงหรอก ของเรานี้อยู่กลุ่มไหน น, นะ 3, น้อนะพบสามกำเนิดสี่คติ5เรามาทบทวนให้ดีนะผมมาอยากจะเน้นโดยตัวส่วนตั ว, ตวอยากจะเน้นเป็นพิเศษว่าเราเป็นมิจฉาทิฐิหรือเป็นสัมมาทิฐิเอาอะไรเป็นเครื่องวัดว่าเป็นสัมมาทิฐิและเป็นมิจฉาทิฐิเนี่ยนะบอกว่าก็ชาวเรานับถือพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรตรัสรู้ว่าอย่างไรเป็นต้นเนี่ยจะต้องมาสอบถามตัวเองให้ดีๆนะไม่ใช่ว่ามัวๆมวๆไปแล้วก็หมดวันหมดคืนเอาดีไหม ขอให้มันคลุมคลุมเครือเครือไปเรื่อยไปก่อนช่างมันเถอะขอคลุม ค, มเคุเครือเครือนะเราจะรู้ตัวอีกทีหนึ่งวันใกล้สิน้นสิ้นชาติสิ้นชาติก็คือมรณะนะวันนั้นไม่มีโอกาสทบทวนแล้วพอพวกมิจฉาทิฏฐิเนี่ยพอก็เกิดมิจฉาทิฏฐิบางพวกนี้พอยึดถือมากๆก็มัวแต่ทะเลาะ ก, กันเพราะทิฏฐิก็เลยผิดกันแล้กันวิวาทกันแล้กันกล่าวให้แปลกกันซึ่งและกันเนี่ยนะ ตกลงอนุสัยมันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงยังไงเป็นตน้นถกกันหน้าดูเลยถ้าบอกว่าเที่ยงแล้วต้องบอกว่าไม่เที่ยงหรือตกลงเอายังไงนะ่ก็ขอมาอย่างนึกในใจแล้วไม่มีประโยชน์อะไรกุศลก็ไม่ได้เจริญขึ้นเลยอากุศลก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคนตาบอดแต่กำเนิดเหล่านั้นเห็นแต่ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งของช้างก็ยึดถือเอาสิ่งที่ตนถูกต้องรู้นั่นแหละ คือช้างก็เกิดการแข่งแย่งวิวาทกันฉันใดมิชช่าทิธีก็ลักษณะนั้นก็คนตาบอดทุกคนไม่เห็นอริยสัจคนที่ถกกันเนี่ยนะเชื่อเหรอร้อยทั้งร้อยไม่เห็นอริยสัจคนที่เห็นอริยสัจเขาไม่ทะเลาะด้วยหรอกเห็นไหมเขาบอกว่าถ้าใครไปทะเลาะกับคนเมาไอคนนั้นหนักกว่าคนเมาเยอะนะถ้าสมมุติถ้าเราเถียงคนบ้าจนชนะเนี่ยอะไรกันไอคนนั้นมันบ้ายิางกับคนบ้าอีกนะ ชันใดก็ดีเนี่ orn, ยมันันก่อนโยมก็มาเล่าก็ไปถกกับมิจฉาทิถีมาคนหนึ่งบอกว่าถ้าโยมเทียงชนะมิจฉาทิถีเนี่ยนะโยมก็ไม่ได้ฉลาดอะไรขึ้นหรอกเนี่ยนะเอาไม่ไปโต้ ว, วาทาชนะที่โรงพยาบาลปัญญาอ่อนมาใช่ไหมนะไปถกเทียงในกลุ่มที่เป็นโรคฟุ้งซ่านมาเนี่ยมันได้ประโยชน์ตรงไหนมันได้แต่การทะเลาะเบาแวงกันไม่มีประโยชน์เท่าไหร่หรอกอันนี้พูดแบบมีอันนี้เนี่ยไม่มีประโยชน์เท่าไหร่จริงๆมันไม่มีประโยชน์แม้แต่นิดเดียวเนี่ยนะเทียงคนเมาจนชนะคนเมาเนี่ยนะ เสียงคนบ้าจนชนะคนบ้าไอคนนั้นมันหนักกว่าคนบ้าเหอะเชื่อเหอะนั้นก็ต้องดูให้ดีว่ามันมีประโยชน์ไหมแล้วก็พอถกมากมาก น, นะฟุ้งซ่าน